ได้ช่วงคั่นคุยธรรมะที่เราจะยกพุทธวจนะที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนั้นมาคุยกันเอ่อได 2 3 รอบมัน นะอ่าน 10 รอบ 20 รอบก็เข้าใจอีกอ่าน 30 รอบ 40 รอบอ่าน 50 รอบ 60 รอบเนี่ยท่านฟังมันเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะ ลิงปุชาบอกให้ทําด้วยในเรื่อง 8 เนี่ยๆทําย้ําๆทําบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆนะใช้คําว่าทําให้เจริญเอาคุณจะทําอะไรให้มันเจริญคุณทํายังไงทําซ้ําๆทําซ้ําๆทําๆเนี่ยมัน นะคือช่วงนี้มีเนรมบทปฏิวัตินะก็เลยเห็นเนนห่มผ้าเนี่ย นะถ้าคนไม่เคยแล้วก็จะ 1 พันษา 2 พันษา 5 พัน 10 พัน 20 30 ษานี่ลักษณะสไตล์การห่มจีวรนี่ก็จะแตก ฟังบทที่เราย้ําๆอย่าไปเห็นว่าไอ้ๆฟังซ้ําๆฟัง 6 หน้า 6 มีอะไร 6 กันอย่างไรคือใน แล้วคนนี้ก็บอกคุณอาบน้ําให้เรียบร้อยหวีผมเรียบแปะแต่งตัวสวยงามนะกราบไป 3 ครั้งกราบทางทิศตายกราบทางทิศตะวันตกกราบทางทิศ 6 ครั้งนะแล้วก็คิด การกระทำตรงนี้มีอยู่ในอินเดียสมัยปัจจุบันก็ยังมีทางฝั่งโห้ยแม้แต่คนไทยเนี่ยก็ยังมีเลยบางคนตื่นมา 6 นี้ นะดับแรก 6 มีอะไร 1 ทิศ 2 ก็คือ 3 คือทิศ 4 คือทิศ 5 คือทิศ 6 คือ ทีนี้เราจะต้องปฏิบัติยังไงในแต่ละหน้าที่เรามาดูกันหน้าดําแรกคือทิศเบื้องหน้ามรรดาบิดาก่อนเอ๊ะมรรดาบิดานี่เราต้องปฏิบัติยังไงกับท่านหน้าดําแรกก็คือว่าเอ่อต้องทําหน้าที่นี้คือท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน นะต้องมีแน่นอนบรรดาบิดาทุกคนต้องเลี้ยงนะเป็นๆนะมีความๆอู้แว้วๆออกมาเนี่ยอืมถ้าไม่มีใครเลี้ยงเราตายเลยนะ ใครมีลูกกินข้าวอ่อนผ้าอากาศโอ้ยอีลุงตงนังซ้ายๆมีความรักคนแม่ตาๆเนี่ยมันดูแล น่ะเลี้ยงทุกอย่างแหละน่ะทุกอย่างที่ท่านเคยได้เราต้องเลี้ยงตอบน่ะจะเป็นบางคนทํางานแล้วเดี๋ยว 1 ที่ 1 น่ะท่าน ข้อที่ 2 ก็คือด้วยการทํากิจของท่านๆนะพ่อแม่ใช้ไปซื้อขอซื้อ 3 ก็คือเอ่อดํารง ต้องรู้สักรักษาวงสกุลของเรารู้จักรักษาวงสกุลของเรานะดํารงวงสกุลรักษาวงสกุลๆเรารักษาคุณธรรมนั้นๆเอาไว้และนั้น ความกล้าหาญความเก่งกาจและบางตระกูลมีชื่อเสียงในเรื่องความอดทน 4 ก็คือเป็นตา นะทายาทในที่นี้หมายถึงมรดกนั่นเองนะรับมรดกๆมาเราก็รู้จักๆที่เป็นมีมูลค่ากระทั่งเป็นมี อันนี้คือมรดกทางคุณธรรมนะคือบางทีเนี่ยท่านเป็นคนอดหรือบางทีในที่ เป็นลูกรับมรดกที่ดินของพ่อแม่มาพ่อแม่เสียไปแล้วตัวเองรับมาเสร็จปุ๊บขายที่ดินทิ้งเอาเงินมากินแล้วโดยที่ไม้ตัว นว่าไอ้สิ่งสรรพังต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเป็นสิ่งของก็ตามน่ะมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ใน 5 นั่นก็คือเมื่อท่านทํากาละล่วงรับไป 5 นี้ 1 ด้วยนั่น เอ่อแม่ตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วแล้วก็เอ่อเอาก็เลยตั้งเครื่องบูชาอะไรที่แม่ 1 เอด้วยนะว่าท่านเลี้ยงเรา เอ่อเป็นการบูชาที่เรียกว่าก็คือเป็นการบูชาอย่างหนึ่งในแต่บุญกุศลที่เกิด 5 ที่พระพุทธเจ้าเอ่อบอกให้ วางไว้หน้าเอ่อรูปของมนนาบิดาแล้วก็หวังว่าท่านเอ่อตรง 2 นี่ถึง เป็นผู้ที่ควรจะรับทักษิณาทานท่านเช่นคนที่มีคุณสมบัติดี บุญที่เกิดขึ้นน่ะถ้าบุคคลผู้รับนั้นคุณก็จะได้บุญมากด้วยนะอูมนดาบิดาเวลาเราบูชาเนี่ยก็เอาทักษิณาทานเนี่ยให้แก่บุคคล ใน 5 ข้อนะที่ว่าเราควรจะบำรุงต่อมารดา 6 ขวบ 7 ขวบนะเริ่มรู้จักหน้าที่รับผิดชอบแล้วเอ่อท่านเหมือนกันดูด้วย นี่เป็นการตอบแทนบุญคุณและถึงถึงเป็น 5 อย่างที่เรานะมารดาอย 5 อย่างนี้ก็ครบคือท่านอยเราเรา 2 เราจะ 3 เราจะ 4 เรา ข้อที่ 5 เมื่อท่านทํากาละล่วงรับไป